แลเวรเห็นเวลาวันนี้ไม่เห็นด้วย ปรนทวารจะได้ทําหมดหน้าอาเสตมามีหลานใจสถาณการติดกันคือธรรมะ 2 รูปเสร็จครบแล้วแต่มุนอริยมะมุนโนกันนมอริยมะรูปทรง ภาคแท้อ่าเธอโล้โล้ภาคแท้สกภาคแท้ตะมัสนะครับ 2 2 ครับครับพระพรเนตรครับพระพรไปโปรดแล้วภาคกรจนของศิวิญาณทําให้เกิดสุข <c oughs> สัตว์ที่เกิดในอาฆาตแกรรมไม่นี้หรอกโลกของรัชตน์ไหนไอ้โสกแห่งความ พระโสภณ เป็นคู่ชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าไปคนเดียวให้มีคู่ครองเคยประกอบรู้ชีวิตตัวเอ่อสมมุติรู้ชีวิตตัว พนะว่าสัจจะเจ็บตายในโภคมีสติสมมูลโภคมีสติต่อเนื่องโภคเราไม่ต้องมาเลยสงสัยพยาอา เป็นรายพระชราเจตนาเอ่อพรณุสึกโสสัจฉิสังโลกปทังเห็นนามธรรมที่มันเป็นธรรมชาติเป็นลักษณะอย่างว่าพระ ในโลกของสังเกตเรียนแชร์แร็กซ์คอมเมนทอร์นอร์ที่เราเห็นผมจะมีลงตัวเป็นความหนาวมันเป็นธรรมชาติของเขาใน การปล่อยสว่างสายความอยากตนก็ här varandra för att få en det att en. att finna en. att finna en. Det en. แต่ความรู้ตัวพอพออํานาจเนี่ยก็เป็นความปัญญาครับกระทั่งหลวงพ่อพระคนหลายตอบไปทีแรกธรรมชาติเป็นสัจจะ ว่าอย่างสิ่งที่มันปรองแฝงมันนี้ออกไปเป็นเกิดว่าได้พวก <c oughs> สารามิสติสัจจะของเองของโลภของโกรธของหลงของมันเป็นของที่จรมาอาศัยโทษข้างโชคค่ะก็ก็เห็นมายา วันละแต่แค่ท่อนไม้แต่บางโลกก็ต้องสอย <c oughs> ทำอะไรสงสัยพอโม้เดี๋ยวมองมาหล่นนะไม่โห้เหมือนเมื่อก่อน เพราะฉะนั้นยุรังค์ที่ไดมอนสมาธิยุรังค์ที่ตะริปานะอันนี้เป็นที่ไส้ตัวส่องกับความ ตวารีออกบางเสียงเดียวกันแต่พลรรค 8 เอ่อภาวชนะนี้ประกอบไปด้วยเมตตาชิดช่วยเหลือชิจจาจะสงเคราะห์อนุเคราะห์กับสัตบุรุษที่ เพราะฉะนั้นวัชนะทําให้ดีขึ้นเราจะมาทุกข์ถ้าไม่เกิดมันไม่เป็น ก็อย่างไรถ้าเห็นแล้วก็เป็นไม่ใช่ว่าได้เห็นแล้วเป็นโลภปัญหาเรื่องที่เกิดขึ้นกับโลภไม่เองเนี่ยเป็นปัญญาใส่รับโทษทางคิดทางแปลสารมเสริญสิ่งที่ฉลลักษณะุให้เกิดปัญญาเกิด เห็นความทุกข์กลายเป็นปัญญาเห็นความไม่ใช่ตัวตนกลายเป็นปัญญาแต่ถ้าผู้มีจริตนั้นก็ไม่เที่ยง เพราะลักษณะอย่าง 3 อย่างเนี่ยเพียงไปสู่ แต่เสียดจากธรรมชาติแล้วดอกเป็นตรงไม้เถื่อนของทิ้งลงได้เอาความโกรธไปทิ้งลงได้เอาความทุกข์ ก็ encore กําลังเป็นอาญาในใจเป็นรอยรอยรักรอยแค้นรอยโศกรอยครบรอยได้รอยเสียเพราะไม่ นอนโรสัสสอยัสสโหลกะทาไปทิ้งนะไปรักเนี่ยเสร็จสังขยาของชีวิตเนาะก็จะเดินอยู่ตรงนี้หรอที่เรียก การสังเคราะห์นั้นมันอีกต่อวะเยอะต่อชีวิตแล้วพอเป็น มันไม่ใช่ตัวตนตรงๆมันไม่ใช่ตัวใช่ตัวสารมออกนี้มันก็อยู่เหมือนกันตรงนี้เมื่อเจอ เป็นสมมุติสมมุติก็จริงแบบสมมุติเป็นคําพูดไปโลกเนี่ยเก็บไปด้วย ถ้าเจริญแบบ ว่าการเทวะเจติเจติกะครับก็เป็นพระนั่นน่ะหนึ่งเป็นเป็นสมมุติแต่ใจดีถ้าเรียกเค้าเรียกว่าพระอริยเจ้าญาติยอมที่ร่วม เป็นได้ทางสติปัญญาเกี่ยวกับจิตใจของเราแต่มันไม่ใช่สมมุติเป็นสารมัตถนรู้อนูเตนเป็นสมมุติ มันไม่มันไม่ดีมันไม่ได้ไปดีมันก็ไม่ได้ดี ตายแล้วเพลใคร <c oughs>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 แต่ถ้าเรายังได้ยินละเราชอบถึงไม่เราไม่ชอบถึงน่ะ <ม. S 1> แม้เราจะเป็นสวรรค์เห็นสี อ่ารูปเกิดนิมิตจริงแบบเห็นเป็นตัวเป็นตนนี่จริงเป็นกายเป็นกายจริงเป็นความคิดเป็น เรเรเราก็มีโอกาสที่จะบ่นออกไปในหน้าเราเห็นรูปสิ่งไหนที่เป็นบัญญัติสิ่งไหน สมมุติพอกําหนดได้แล้วสมมุติก็ใช่สมมุติตามสมมุติบัญญัติติณกับสมมุติไตรลักษณ์อะไรทิ้งอะไรทิ้งสมมุติเรามีหน้าที่ก็ใช่สมมุติเลยเป็นปริโลก ลักษณะของสายธงอินทร์จะวัตถุทั้งโลกก็จะเกิดเป็นโลกเสียง สมรสกับเข้ามาเสร็จพอลงออกออกออกไปเสร็จแล้วเราเห็นแก่มันก็มันมีแต่จบใช่มั้ยใช้ตาใช้หูใช้จมูกใช้เลนใช้ แต่ว่าเนี่ยเราว่าสติให้มันเป็นอย่างเรียกว่าสติอินทรีย์ถ้ามีสติอินทรีย์ตามันก็เป็นใหญ่แต่ว่าหูพอดูก็ใช่มั้ย แต่ว่าถ้ามันมีเกจริงมันก็ใหญ่ไปถึงเทือนพวกโธ shuffle ...เหมือน ออสัตว์โอเคนต์ โ�%. ท Auss Artsado เจ้าเจ้าช fantastic ว่าต่างฝ่ายก็จะต่างฝ่ายกันละครับมูก็ ถ้าเราไม่มีสติไม่รู้โทษทําเพราะมันเกิดกับเกิดกับที่ยิบเกิดแล้วนี่เกิดแล้วมันต่อไปเรียกว่าอาการเกิดกับของของลูกได้ถ้าอาการเกิดกับของ ความวิตกความกังวลก็เป็นทุกข์แต่ความวิตกความกังวล ดังนั้นเราจึงว่าคือชอบให้มันเป็นจักขุมีสติเป็นใหญ่ภายนตาเป็นใหญ่ใช้ตับจับตาไว้ถ้าหัวจะหลงเลี่ยง <c oughs> เราเคยหลงภาษาเราเคยหลงพงโงเราเคยหลง <ด า, S 1> ก็วางตาอีกมันก็ใช่เหมือนกันนะก็มันเลยเป็นว่าก็คน ใจเราเข้าถึงตัวของหน้าอาจารย์พระให้อยู่เลยก็เรา แต่แต่มันไม่เสร็จแล้วอ่ะเป็ด เออไส้มันซ่อมๆแต่ก่อนมันด่วนรักด่วนปฏิเสธแต่มีความเป็นข้ามนะในมนุษย์เป็นมนุษย์ เธอจะเลือดย้ําอะไรเนี่ยบังจิตแต่ความเป็นทางมา ไม่พอที่เกลียดลาษนี่คือว่าชาติบุญวาจณาภาชนะในแข่งกันระหว่างคนทั้งหลายก็ว่าวาจณาในแข่งกัน <c oughs> สง่าคงมีพรพรรคๆส่งแต่คนเราจะอยู่ตรงนั้นเลยละเร 2 เรื่องไว้ตรงนี้เดี๋ยวให้มันส่งตัวก่อนเออวันนั้นยอมมีดีที่เร็ว <ส ะ. S 1> flipped to a certainnut in love put it past political while would be and we would stay be to because what's the way they're not montre in Heaven and to be sure you is anyway with me. in God. So it wins... whether or not to want to read something, it is should not, it just not let yourself in Heaven strenght. with hints..... doBN bill somehow. Nice. I sure you do support. The rest. ทำให้ ก็อยู่ในนี้เองคนนวรว่าเราทําอะไรเราโกรธลําบากโกรธขอส่งไม่พูดเต็มแล้วโคด <ans un ira Total> แต่บางคนนี่รีบเรียกพระกฎเรียกไปให้เสพไปถ้าอย่างนี้คนมันจะน้อยโสดตัวจะไม่ได้รีบหยุดก็ถึงหยุดก็ยังหยุดก็ยังหยุดตัวนึงยังสายแก่ต้องหายไปหมดมันจะเย็นเนี่ย ทางเทศก็เกิดเหตุตากุนะเกิดเห็นเกิดความอ้อยอ้อยเสียดสัจจะเกิดอธิษฐานเกิด ที่จะเป็นอะไรก็ต้องว่าปุจติแบบนี้โลภะโทสะโลสนะลุหุตตังอากาตตะมัฏฏภูอากาตตะมัฏเตโลนะเตอร์ทอรลักเคอรปริเสเนเจติโล <ma> ซึ่งตัวเพราะอะไรก็คงมีกิเลสอยู่อ่ะเป็นบุญสาชั่วแล้วแต่ปรุงเสร็จ ปะเตเนโตัสโนโวเมติเมติหมดคนในปากบุญกุศลเมติอาศัยในกายข้อสอบจาวาชีวิตที่เราเป็นขึ้นที่รูปสัตว์กระทัยไม่มีวิญญาณพระรูปอะไรได้เพราะมันมีรูปไอ้ เกิดทําราษฏร์ก็มีว่าเช่นไม่เคยปฏิบัติแต่เราเนี่ยว่าสร้างปัจจุบันปัจจุบันนั้นที่จะลิกิดอดีตอนาคตได้ ปาเดะไปเที่ยวปาเดะเก็บได้มั้ยเนี่ยมีตรงนี้เนี่ยมีใครเห็นตรงนี้ป่ะเห็นมั้ยเราเห็นเมื่อไหร่ฮะตรงนี้เหรอเห็นมั้ยเราเห็น มีไว้ 5 นี่แหละเราทําอะไรได้ปฏิเกียดนี่แหละเออครับแต่ว่าทําได้ล่ะเราทําได้คือ แต่ถามคําตอบจากความคิดสัพพะตะทุกข์มันไม่ได้ไม่ถูกต้องเสียเรื่อคนสําคัญเนี่ยพิจารณาคําข้ออะไรตัวอากาศอากาศที่หาคําตอบจากความคิดแล้วไม่ ทำแล้วมันก็ พระเจ้าก็จะเอาให้วันนี้จะไปสอนใครหรออ่าเขตต่อเลวอยาสองค์นี้จะไป เลิกมาพอไปไปไปหน้าไปหน้าพระเจ้ามาไปเจอไปไปทาง เรเรเราจะเอาโพราษครับเราก็ทํางานกันถ้าเสด็จก็ยังคงจ๊ะมีนาที่ไหนจะเอาหม้อดินขอ ไหว้ขอบโคเข้าโพข้างหน้าออกเสร็จแล้วใครไปเหมือน คนซื้อกรมเม็ดเพศแก่ไม่เก็บเงินสักเหมือนข้าวของเศรษฐีอะไรอะไรผู้ที่รวยวันนี้ไหนดอกก็ศรัทธากว่าเชื่อ เรามีเนี่ยล่ะเราควรเห็นหน้าของเรามีสติทุกคนน่ะเพื่อไม่วางตัวละคําคํานี้เหมือนกับคาดกับใครเรามีสติเป็นเข้าถูกตรงไปในความเพียงของเข้าถูกน่ะได้ผลประสาทกันมาเป็นผลไม่เกิดเป็นแคร์ไม่แคร์ได้สักเตชะว่าไม่กดไปอู้บาดรับบาพะเจ้าซึ่งใครคนไหนใครไปให้ลูกให้เมียของเจ้าแท้ <ม. S 1> เขาด่าแท้ๆสมัยแก่สร้างสถาปนาพวกเราเนี่ยคณะโพเมียได้ ไปต้องนะครับไม่ได้ไม่ได้ช่วยกับแห่งเหตุอย่าช่วยกับแห่งโน้คนมีสติหมดแต่ช้าปัจจุบันที่ทํา คนทํางานแล้วก็รู้ดอกเป็นติดรู้ดิบเป็นห้างคนไหนเอ้อะไรเป็นไงดีเราต้องอยากเป็นปกลูกหลานเขา ทำมีปัญญาสมบัติเพื่อทําบุญต่อตลาด อธิเรกเป็นชื่อสุขโตเป็นผู้ไคดีหมายรับรองให้เป็นพิศเป็นใครต่อไคดีหมายทั่งแปลไว้เพื่อทดสอบให้ศึกษา เอาแค่สร้างประดิษฐ์เนี่ย